คนเก่าก็ไปทํำกันต่อทําเป็นแล้วนะมีแต่ทําให้มันจะเดินเนาะจะเดินไปว่าทําให้มันมากขึ้นนะคําว่าภาวนาก็ก็คือการพัฒนานั่นแหละนะพัฒนาให้มันมีมากขึ้นนะพัฒนาหรือว่าพัฒนาใจจากที่มันหลงนะพัฒนาไปให้สู่ความรู้นะ พัฒนาใจที่มันเปื้อนเกล็ดนะไปสู่ความสะอาดตัวนี้เนาะก็ทำไปไปบนนะี้เนาะแต่ก็ให้ทำแบบคืออย่าไปคิดถึงเป้าหมายมากว่าเมื่ อ, อไรเราจะบรรลุธรรมเมืม่ อ, อไรเราจะาได้นั่นได้นี่นะคือทำมันเหมือนทำไปทีละขณะทีละขณะให้รู้สึกว่า ขณะปัจจุบันเนี่ยคือขณะที่สําคัญที่สุดเราก็ทําได้แค่ทีละขณะนี้เท่านั้นคือทําความรู้สึกตัวนะไปในกายนะที่เราเคลื่อนไหวแบบนี้เนาะทำทีละขณะมันก็จบทีละขณะเกิดการเคลื่อนไหวอีกเราก็รู้สึกข้างใหม่หรือบางทีเราก็รู้สึกกับการกระทบนะบางทีเราก็รู้สึกกับการ ที่ร่างกายเขาหยุดนิ่งอลไรนะเดี๋ยวบางทีเราก็รู้สึกกับจิตใจที่มันเพอ้อไปคิดนะหรือรู้สึกกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนะเราก็ดูมันเนาะสังเกตสนะิ่งลงไปคือการดูนะดูดูอย่างไรที่มันดูแบบเหมือนเราดูคนอื่นเนี่ยเหมันดู มันดูเหมือนไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นมันคือเรานะไม่ใช่อ่าทำทำในใจว่าเออไม่ใช่ว่าอันนี้คือร่างกายของเราอันนี้คือความคิดของเราหรืออารมณ์ของเรานะดูเหมือนเหมือนดูคนแปลกหน้าที่เขาแสดงนะให้เราได้เห็นน ะ, นะลองก็ฝึกดูแบบนี้เนาะเพราะว่าสิ่งสาคัญจริงๆของการฝึกคือ ที่จริงไ ม, ไไม่ไม่สำคัญว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสำคัญว่าใจที่กำลังดูนั่นแหละดูด้วยความเป็นกลางดูด้วยความซื่อดูด้วยความไม่เจอือ ด, ด้วยความอยากอันนี้นะคือสาคัญที่ฝึกทั้งหลายนะั่คือมาฝึกไอ้ตัวรู้นั่นแหละความาฝึกให้ตัวรู้มันมันบริสุทธิ์ที่สุดนะคำว่าบริสุทธิ์ก็คือว่า ให้มันเจอด้วยความอยากน้อยที่สุดจนกระทั่งมบริสุดจริงๆนะคือสิ่งที่เราฝึกทั้งหลายนะคือฝึกแบบนี้นใช่ไหมคือถ้า ง, ง่ายๆนะเหมือนโยมกินข้าวต้องกินข้าวกินด้วยกิเลสเนนะี่ยคือกินด้วยความอยากเต็มที่กินด้วยความเพลิดเพลินในความ อ, ร, อร่อยเนะกินด้วยความลงใหลในรสชาติ หรืกินด้วยความหลงไรในการประดับตกแต่งนี่คือเรียกว่ากินในกิเลสนะแต่ถ้าเรากินแบบอืก็กินเพราะว่าก็กินด้วยด้วยร่างกายมันมันหิวเราก็กินไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยกินแบบเนี้ยเรียกว่ากินเฉยๆกินเฉยๆอะไรก็กินได้นะกินเฉยๆอะไรก็กินได้กินเพื่อไปทางชีวิตแต่ถ้ากินแบบไม่เฉยเนี่ยกินด้วยความอยากเนี่ยอันนี้ อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบนะถ้าเราดูเฉยๆก็เหมือนกันอะไรก็ดูได้แต่ถ้าดูแล้วไม่เฉยนะอันนี้อันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้เพราะเราไม่ชอบนะอันนี้เราชอบเราก็อยากให้มันให้มันอยู่นานๆด้วย น, น, น ะ, นะมันไม่เฉยนักไปฝึกดูบางทีมันก็อาจจะมีหลงไปบ้างนะเผลอไปบ้าง ก็ก็ตั้งหลักใหม่เนาะตั้งหลักใหม่หลงไปบ้างนะมันก็เป็นธรรมดาหนะลงไปก็รู้ใหม่นะรู้แล้วก็ทิ้งไปนะแล้วก็รู้ใหม่อีกเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่ว่ารู้หหลงก็รู้รู้แบบรู้แล้จบนะรู้แล้วก็จบรู้แล้วก็ทิ้งแล้วก็รู้ใหม่ไปเรื่อยเนาะคือสติมันจะต่างจากคือสติคาว่ามันต่อเนื่องเนี่ยไม่ใช่ว่ามัน ไม่ใช่ว่ามันต่อแบบไม่มีไม่มีรอยต่อนะแตส่สติมันคือความต่อที่มันเหมือนเป็นความถี่ที่มันมันต่อไปเรื่อยของมันมนะเนยแล้วก็ทำแบบนั้นเนาะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรสงสัยมีอะไรไม่แน่ใจนะก็ก็พูดคุยสักทางกันได้เนาะแต่ก็คือหลวงพ่อก็ามเขียนท่านบอกว่า คือถ้าสงสัยเนี่ยมาหาหลวงพ่อได้ตลอดเลยนะ24ชั่วโมงมาได้นะะแต่หลวงพ่อก็จะบอกว่าแต่เราเองก็ต้องดูนะแบบมันคิดมาถามกับมันมันมันเจอแล้วมันสงสัยแล้วมาถามเนี่ยมันต่างกันถ้าคิดมาถามเนี่ยมันจะโหสงสัยไปเรื่อยอ่มันแบบอ่านเออแล้วก็สงสัย ได้ฟังแล้วก็สงสัยก็เก็บหรือว่าคิดเอานั่นนี่แล้วก็สงสัยแล้วก็มาถามเนะี่ยถ้าคิดมาถามเนี่ยตอบไม่หมดมันจะสงสัยไปทุกเรื่องนะแต่ถ้าเจอถ้าเจอแล้วมาถามเนี่ยมันก็มันก็เหมือ น, นเป็นการเหมือนทำให้เราไปต่อได้นะอ่าหรือที่จริงการตอบ ก็ไม่ใช่ว่าตอบเพื่อให้หายสงสัยนะแต่ตอบเพื่อให้เป็นสิ่งที่ให้เราได้ได้เข้าไปฝึกต่อได้ไปเห็นเองเลยเนะี่ยเพราะจริงความสงสัยในการปฏิบัติธรรมไม่สามารถหายได้ด้วยด้วยคำตอบจากจากพระอาจารย์หรือจากใครหรอกนะแต่คาตอบจากความสงสัยจริงๆมันจะหายได้จากการที่เราได้คำตอบด้วยตัวของเราเองนะมาเห็นสภาวะตรงนั้นด้วย ในใจของเราเองนะว่ามันเป็นแบบไหนนะแต่การถามเหมือนเป็นการเหมือนเหมือนให้มุมมองให้เราได้กลับมาเห็นนะตรงนั้นนะเพราะกายก็เป็นของเราเองมาถึงว่ากายมันก็เกิดกับตัวนี้นะใจก็เกิดกับนะเกิดกับข้างในนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่เหมือนกับของอาตมานะของใครก็ของมันแต่มันแสดงสภาวะ เหมือนกันหมายถึงว่ามันมีมันมีกฎของมันที่มันเหมือนกันเราเข้าใจกันที่ตรงนั้นแต่ในแต่ละขณะมาแสดงอาการต่างกันนะเราก็ก็ให้ไปดูนะให้ไปฝึกกันดูเนาะอแล้วก็ทำํนะทำทําสบายๆนะทําไปทีละขณะนะทำไปทีละครั้งอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยนะปัจจุบันเกิดอะไรก็ดูมันตรงนั้น น่ะนะก็ดูไปคือให้เราฝึกฝึกฝึกกายฝึกใจให้ให้ไม่เกรงอะน ะ, ะให้ไม่เครียดน ะ, ะให้มันผ่อนคลายเนะยเวลาเราเคลื่อนไหวนะเหมือนเป็นเหมือนเป็นการเคลื่อนไหวธรรมดานะี่นะน่ะ แต่สิ่งที่เราเติมเข้าไปคือเติมใจที่รู้ในสิ่งที่กําลังทําอยูนะ่เห็นใจที่รูนะ้ใจที่เห็นร่างกายเขาเคลื่อนไหวใจที่เห็นนะเวลามันเกรงเวลามันเพ่งเวลามันเครียดอนะไรน่ะให้ให้ใจเราเห็นแล้วก็ปรับให้มันผ่อนคลายเป็นธรรมชาตินะ่นะร่างกายผ่อนคลายนะจิตใจ ผ่อนคลายนะให้เราเห็นนะแต่บางทีไม่ได้ผ่อนคลายตลอดหรอกนะบางทีก็เผลอไปเคร่งเผลอไปเครียดมันนะเราพอเรารู้มันก็ปรับนะนเรารู้ก็ปรับนะทำแบบนะี้มันเหมือนนะเราฝึกจนทั้งจิตมันชินในการที่นะอยู่กับสภาวะปกติมันะนะคือฝึกนะไม่ใช่ว่ามันจะดีตลอดถูกตลอดนะแต่ให้เรารู้ทันมัน ให้ถ้าคนใหม่ๆหรือคนอยังไม่ชำนาญก็หาจังหวะการเคลื่อนนะการเดินการหยุดต่างๆให้มันให้มันรู้สึกพอดีนะพอดนะีทำให้ร่างกายมันไม่ต้องใช้ถึงใช้กายาแบบแต่น้อยนะไม่ต้องแบบเพิ่มคล้ายๆความ ตึงหรือความพยายามมากนะเอาความพยายามแค่พอประมาณเดินก็ธรรมดายกมือก็ธรรมดาแต่ก็ธรรมดาของกายทำนานๆก็เมื่อย <c oughs> ก็ปวดนะก็ธรรมดาพอรู้ทันก็ปรับเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปก็รู้สึกตัวไป หรือบางทีเราก็สังเกตดูก็ได้เวลาจิตใจอ่าจิตใจมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสบายนะการหายใจมันก็จะแบบอึดอัดไปน ะ, ะหรือบางทีหายใจสั้นเกินไปเราก็ปรับสักหน่อยหายใจให้ผ่อนคลายหรือบางทีก็ตั้งใจใหายใจยาวขึ้นสักหน่อยนะแต่ถ้าตั้งใจใหายใจยาวตลอดก็เหนื่อยเหมือนกันนะก็ก <c oughs> <c oughs> ็เครียดเด็ก แค่ปรับนะมันปรับนะคล้ายๆเหมือนกับเราเดินนะถ้าจะเดินให้มันเป๊ะเนี่ยมันจะเกร็งแต่ถ้าเดินแบบพอดีพอดีอดสบายๆมันก็จะไม่ถึงกับเป๊ะนะแต่มันก็ไม่ได้จะทำให้เราเอียงไปมากเกนะินไปเพราะเรามันค่อยๆปรับทีละก้าวทีละก้าวนะใช่ไหมถ้าเราเดินแบบนะเดินแบบธรรมดาเนี่ยมันก็จะมันก็เดินได้นะ แต่ถ้าเราเดินจะให้มันเป๊ะเนี่ยมันจะเกรงละเนะมื่อเราจับพวงมาลมัยรถตนนะั้นเราขับจะให้มันให้มันไม่เอียงได้เอียงขวาเลยนะมันก็จะเหนื่อยเราจะเกร็งแต่ถ้ามันเอียงไปเรารู้เราก็ปรับกลับมาเอียงไปทางนี้เราก็ปรับกลับมาเนะี่ยมันจะสบายนะนะที่จริงเนะี่ยคือรู้รู้กายรู้ใจให้มันแบบนั้นนะนะที่สําคัญคือใจที่ ให้มันสบายนะให้มันไม่เกรงแต่มีตัวรู้ด้วยนะไม่ใช่สบายแบบคิดเลยเปลื่ยสบายแต่สบายแบบรู้นะรู้นะอะไรเกิดขึ้นในตายก็รู้หรือนะเกิดความผิดปกติขึ้นในใจนะก็เห็นนะก็รู้ทันมัน ไม่ใช่บังคับให้มันไม่คิดนะะ น, นก็ฝึกสิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่มันจะทำให้เราได้ได้ได้ผลหรือว่าทำให้เรามั่นใจในการภาวนามากขึ้นคือถ้าเราทำให้มันเยอะๆนะมัถือว่าทาให้มันต่อเนื่องนะในแต่และ ว, วันหรือวันนั้นเราตั้งใจจะมาทำเราก็พยายาม แม้เราจะเดินลงไปทานข้าวนะหรือขณะที่เราทานข้าวนะไม่ใช่เวลาพักปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เหมือนเวลาเลิกเรียนแล้วนะเลิกเรียนแล้วอันตามสบายเหมนนะ่ะอ่ามันแค่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบไปนะเราไปเดินลงบันไดก็เป็นจังหวะนะเป็นจังหวะเป็นจังหวะ เรากินข้าวกระขนาดที่ตักขนาดที่เคี้ยวมันก็เป็นจังหวะแต่ก็ไม่ใช่แบบจังหวะแบบทหารแบบโมกเกง่งคือเป็นจังหวะให้มันมีรู้สึกถึงการเคลื่อนรู้สึกถึงการกระทบแบบนี้เนาะคือ้เราให้เราใส่ใจรู้ตัวนะ <c oughs> แล้วก็รู้ทันเวลาใจมันเผลอไปอ่ะก็รู้ทันอ่ะไม่ได้ห้ามมันแต่เพียงไม่ ไม่ไหลไปกับมันเนาะเรื่องที่มันจะคิดจะเรื่องอะไรไม่สำคัญแค่รู้นะแค่รู้ก็พอเห็นว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่มันไม่ได้ตั้งใจคิดของมันเองเราก็แค่รู้นะมันเป็นของมันเองเนี่ยนะคือสังขารนะบุงแต่งมาเป็นของมันเองนะดูนะสังขารมันเกิดของมันเองมีสติรู้ทันสังขารที่ปรุงแต่งแค่นี้ก็พอละนะ หรือถ้าจะว่ามันก็สังคันพุ่งแต่งนะไม่ใช่เราออถ้าจะว่าให้จิตให้จิตมันเห็นแบบนั้นไปนิดหน่อยก็ได้แต่ถ้าไม่ต้องพูดก็ได้นะแค่ให้มันรู้สึกประมาณแบบนั้นถ้ามันจะรู้สึกว่าให้ความคิดหรืออารมณ์มันเกิดของมันเองมันปรุงของมันเองไม่ใช่เราอยากคิดไม่ใช่เราอยากให้มันเป็นนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปอยู่กับมันเนี่ยมันจะเป็นเรา เมื่ไรเราอยากให้มันเป็นแบบนี้อยู่นะก็จะเป็นเราละนะมันดูแล้วก็จบที่ละขณะสภาวะต่างๆนะมันเกิดแล้วก็ดับนะบังคับไม่ได้นะนะดูแบบนีน้ไปเรื่อยๆนะมันเหมือนเราฝึกสติไปเรื่อยๆเหมือนไม่ได้อะไรเลยนะแต่ แต่ยมสัมผัสได้ไหมตอนที่รู้สึกตัวเนะ่ะตอนนั้นจิตใจมันทุกข์ไหมไม่ทุกข์นะแต่กายยังทุกข์อยู่เนาะกายก็ยังทุกข์นะถ้าปวดขานะหรือเมื่อยหรือหิวก็ยังมีนะอถ้าเมื่อใ่ที่รู้สึกตัวนะนะจิตใจก็จะม่ทุกข์นะแค่นั้นถ้าเราสัมผัสได้อื เมื่อรู้สึกตัวหรือบางทีอาจความไม่ทุกข์มันอาจจะแสดงสภาวะที่ชัดเช่น้รู้สึกมันนิ่งนะอะไรนะรู้สึกหรือรู้สึกมันสบายอนะันนั้นนี่คือสภาวะที่มันไม่ทุกข์ของใจนะนี่คือนี่คือเหมือนมันก็คือได้ผลละหนึ่งขณะนะเนี่ยนี่คือผลที่เราภาวนาแล้วรู้สึกตัวทีละขณะเนะี่ยขณะที่รู้สึกตัวมันก็คือใจก็ไม่ทุกข์ ใจก็สบายใจก็นิ่งอะนะนี่คือเราไม่ต้องถามใครแล้ ว, วเราภานาถูกหรือเปล่าใช่ไหมอืมแต่ถ้าทาด้วยความเครียดนะเหมือนรู้นะแต่เครียดใจมันยังทุกขนะ์่นรู้แบบทุกข์นะี่ไม่ใช่นะ่ะไม่ใช่รู้สึกตัวนะมันรู้แบบอ่รู้แบบกลัวผิดหรือรู้แบบเอาเกินไปเนะี่ยถ้ารู้แล้วใจไม่สบายรู้แล้วมันทุกข์เนี่ยนะไม่ใช่รู้สึกตัวจริงๆนะ มันรู้แต่มันเจือด้กิเลสแต่ถ้ารู้สึกตัวนะมันก็รู้ด้วยนิ่งด้วยรู้ด้วยสบายด้วยรู้ด้วยไม่ทุกข์ด้วยนะแต่ถ้าเราเกรงเราเครียดมันก็รู้นะแต่มันไม่สบายอาก็แค่ปรับให้มันสบายมันก็จะกลายเป็นรู้ด้วยสบายด้วยนะนะ่คือมันก็ค่อยๆปรับเอานะมีลองผิดดองถูกนะปรับเอานะ ก็หนักก็ให้เราได้เนีตรงเนี้ยแต่มันเป็นตัวคําตอบที่ที่เราจะสัมผัสได้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องถ้าถ้าถ้าเราเห็นวันนี้บ่อยๆความสงสัยดังเลเราปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดนะปฏิบัติแล้วมันได้อะไรเนี่ยถ้าเราเห็นอันนี้บ่อ ย, อยมันจะมีความมั่นใจนะมีความแน่ใจนะความสงสัยก็ค่อยๆหมดไปนะ เนี่ยทำแบบเนี้ยมันไม่รู้นะามาเองเวลาสงสัยก็มีนะเวลาปฏิบัติใหม่ๆแต่ก็ทำไปทำไปแล้วมันเหมือนค่อยๆได้คำตอบค่อยๆรู้ดูด้วยส่วของเราเองนะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ถามครูบาอาจารย์นะว่าเราทำถูกหรือเปล่านะหรือหรือสิ่งที่มันคิดจะถามบางทีก็ ไม่ไม่ถามให้กับมันบางทีมันก็สงสัยเยอะนะเวออลาเราอ่านเวลาเราฟังหรือบางทีเราแย้งในใจนะ่ะบางทีก็สงสัยแต่ไม่ออฟังไว้ก่อนแล้วก็ดูดูไปนะดูดูไปนะปนะออแล้วก็สังเกตนะออก็เป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์ว่ า, าจริงนะบางทีแบบหลวงพ่อบอกอย่าไปเอาเหตุเอาผลอย่าไปเอาถูกเอาผิดอย่าไปเอาดีไม่ดีน ะ, ะนะ่ะ พอเรารู้สึกว่าเมื่อไรเราเริ่มเป็นแบบที่หลวงพ่อพูดเช่น <c oughs> เริ่มเอาเหตุเอาผลเริ่มเอาถูกเอาผิดเริ่มเอาดีเอาไม่ดีเนี่ย <c oughs> ก็ดูเลยว่าตอนนี้นใจเราทุกข์เออตอนที่กําลังเอาแบบเหตุผลถูกผิดเนี่ยอใจเราเริ่มเป็นทุกข์เพราะเราเห็นมันก็จะคลายนะนะหรือแต่ในการใช้ชีวิตทั่วไปาอาจจะมีเหตุผลมีถูกผิดแต่ก็มีก็เหมือนพูดไปแบบ ตามความรู้สึกหรือตามเหตุผลเฉยๆไม่ใช่ว่าเอาว่าไปยึดว่าอืมอันนี้คือตัวเราอนนนะเคือคือสิ่งที่เราต้องเอาชนะเลยนะก็เป็นเป็นเรื่องสมมุติทางโลกที่ที่ใช้ไปถูกผิดแต่คําว่าไม่เอาคือจิตอะมันไม่ไปยึดเพราะว่าถ้ามันยึดมันเป็นทุกมันมีเหตุผลไม่มีถูกผิดแต่จิตมันไม่ยึดมันก็ใช้ใช้ไปเฉยๆมันจะต่างกันนะ นะแต่คาว่าไม่เอาของพ่อคือใจที่มันไม่เอาใจที่มันไม่ยึดนะแต่มันโดยสมมุติมันก็มีแต่เมื่อใรที่เรามีแล้วก็เราไปยึดด้วยนะี่คือเราไปเอาคำว่านี่คือนี่คือไม่ใช่ว่าการไม่เอาคือการที่ทิ้งทุกอย่างทิ้งสมมติทุกอย่างะเทิ้งถูกผิดทุกอย่างทิ้งเหตุผลทุกอย่างมันก็จะไปติดอีกแบบหนึ่งนะ มีตัวตนหรือมีการยึดในสิ่งที่มันไม่ยึดฉันเป็นคนไม่ยึดเหตุผลแล้วฉันก็ไม่มีเหตุผลฉันเป็นคนไม่ยึดถูกผิดนะฉันก็ไปไปยึดความไม่ถูกไม่ผิดนะคือมันก็จะไปสุดโตงอีกแบบนึงบางทีก็เคยเห็นนักปฏิบัติหลายคนไม่หลายคนหรอกอาจจะเป็นส่วนน้อยที่แบบมันสุดโตงมากไปยึดในฝั่งนู้น ก็ให้เรากาัรไม่ยึดคือไม่ใช่แปลว่าไม่มีมีแต่ไม่ยึดนะอารมณ์เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้มีแต่ไม่เอานะเห็นมันเห็นมันไม่พอใจอเห็นนะก็แค่รู้เฉยๆหรือสงบหรือสุขก็เห็นนะแต่ไม่ไปยึดนะในความสุขในความสงบไม่ใช่ว่ามาสุขโอ้ย เดี๋ยวมันจะติดสุขเนี่ยไม่ใช่นะสุขก็แค่รู้ว่ามันสุขเนี่ยมันหายไปก็คือหายไปก็แค่นก็แค่รู้ว่ามันหายไปแต่ถ้าคนติดก็คือสุขก็ยึดไว้หายก็เสียดายนนะแต่ถ้าคนรู้เฉยๆก็สุกก็แค่รู้พอมันหายก็แค่รู้นะนี่คือมันมันมันนิดเดียวนะ แต่อีนิดเดียวเนี่ยคือฝึกจนใจมันจนใจมันมันยอมรับอ่ะบางทีมันบางอย่างมันพูดง่ายนะแต่ฝึกให้ใจมันมันยอมรับอ่ะเนี่ยฝึกให้ใจมันเป็นอย่านี้แต่จริงมันตรงกับที่พระเจ้าพูดเลยนะขั้นแรกคือรู้ทุกข์คือถ้าไม่เห็นว่าไอ้ที่เราอยากแล้วมันเป็นทุกข์อ่ะ มันจะมีมันมันก็ยังไปยึดยังไปเป็นอยี่ยพรรู้ว่ามันเป็นทุกข์นั่นแหละมันถึงจะออกจากทุกข์นั่นคือที่เราภาวนา Rivera ไปจ ร, ริงสุดท้ายมันก็จะค่อยๆให้เราได้เห็นว่มันเป็นแบบทำแบบไหนแล้วมันเป็นทุกข์พอมันเป็นทุกข์รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันจะออกจากความทุกข์ไม่มีใครทำให้เราออกจากความทุกข์ได้นอกจากเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์ จิตมันจะออกจวามทุกข์ของมันนาะก็ฝากไว้เดออ่ะไปทานข้าวกันนะกาแากันเนาะ